ยาซีเรียเรื่องต้นไม้เป็น <wier Justin> พยานก่อนที่เด็กหนุ่มจะไปต่างจังหวัดได้ฝากเงินไว้ที่ตาเท่าคนหนึ่งหนึ่งพบาท เมื่อกลับจากต่างจังหวัดเขาไปขอรับเงินคืนตาเท่าปฏิเสธเรื่องเงินฝากเฮ้เจา้าไม่ได้ฝากอะไรไว้ที่ขาดเลยเด็กหนุ่มได้ไปขอเพิ่งความยุติธรรมจากศาลผู้พิพากษาเรียกตัวตาเท่าไปที่ศาลเด็กหนุ่มคนนี้ฝากเงินไว้ที่ท่านใช่ไหมตาเท่ายืนกรานไม่มี ผู้พิพากษาถามเด็กหนุ่มเจ้ามีพยานไหมเด็กหนุ่มตอบไม่มีครับผู้พิพากษาถามเด็กหนุ่มต่อไปขณะที่เจ้าเอาเงินให้ตาเท่านั้นเจ้าสองคนอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ทําไมเจ้าบอกว่าไม่มีพยานละ่ะต้นไม้ใหญ่เป็นพยานให้เจ้าได้ แล้วผู้พิพากษากล่าวเสียงดังเจ้าจงไปที่ต้นไม้ใหญ่บอกว่าข้าเรียกตัวมาที่ศาลแต่ทายิ้มชอบใจแต่เด็กหนุ่มกลับลังเลใจกล่าวว่ากลัวว่าต้นไม้ใหญ่จะไม่ยอมเชื่อหมายของใต้เท้ามากกว่าผู้พิพากษาบอกให้วางใจเจ้านําแหวนซึ่งเป็นตราของขา้า ไปให้ต้นไม้ดูแล้วบอกมันว่าดูสินี่เป็นตราของผู้พิพากษานะมันก็จะต้องมาแน่นอนเด็กหนุ่มนําตราของผู้พิพากษาไปได้สักครู่ใหญ่ผู้พิพากษาก็ถามตาเท้าว่านี่ท่านลองกะดูทีสิว่าเจ้าเด็กหนุ่มไปถึงต้นไม้ใหญ่แล้วหรือยังตาเท้าตอบ คงจะถึงแล้วเด็กหนุ่มเรียกตัวต้นไม้ใหญ่เป็นพยานไม่ได้ผลจึงกลับไปบอกผู้พิพากษาตามความเป็นจริงข้าเอาตาของท่านให้มันดูแต่มันไม่สนใจอะไรเลยผู้พิพากษาตอบต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นได้มาแล้วและได้ให้ปากคาต่อหน้าบาลังเรียบร้อยแล้ว เท่ารู้สึกตื่นเต้นในขณะนั้นแต่ท้าวว่าอะไรนะ ต, นยยตนน้นไม้ใหญ่ต้นนั้นไม่ได้มาเลยเป็นความจริงมันน่ะไม่ได้มาเลยผู้พิพากษาประกาศเมื่อกี้นี้ข้าถามท่านเจ้าหนุม่มไปถึงต้นไม้ใหญ่แล้วหรือยังท่านก็บอกข้าว่าคงจะถึงแล้ว ถ้าท่านไม่ได้รับเงินจากเจ้าหนุ่มที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่านก็จะต้องถามข้าว่าต้นไม้ต้นไหนไกลจากที่นี่มากไหมคำตอบของท่านเมื่อกี้นี้จึงพิสูจน์ได้ว่าเด็กหนุ่มพูดความจริงเรื่องนี้สอนว่าคนโกหกยังไงก็มีวันพลาดให้เขาจับผิดได้ อย่าทำเลยนะอย่าทำ